เราก็ได้มาสาธยายพระสูตรนั่นเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องมรตตาและคงสูตรนรูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเอทนาอนิจจาเอทนาไม่เที่ยงสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงรู ปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเอน่าอนัตตาสัญญานัตตาสังาละนัตตาวิญญาณังอนัตตาบินญาณไม่ใช่ตัวตนสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ควรถือว่าตัวว่าตนถ้าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราเป็นคงสอน แต่ถ้าเราเป็นภาษาว่าเอาเฉยๆไม่มีการกระทาใม้เกิดขึ้นมันก็ค่อยมีประโยชน์การสอนธรรมะของพระเจ้าไม่สอนให้จำเอาสอนให้ไปทำดูการกระทามันเป็นการสัมผัสการสัมผัสนี่ไม่ลืมการจำมันลืม เยึดในพระสูตรทำอุปการะมากสองอย่างเตะตีความรู้ได้สองปัญญาความรูปตัวทำมันทําให้งามสองอย่างขันตีความอุดทนสุรจจะความเสียมบุคคลหาได้ยากสองอย่างบุพการีบุคคลผู้รูปกาละก่อนแต่จันยูก็แต่เวทีบุคคลผู้รูปกาละที่ท่านทําแล้วละตอบแทนนี่จำเอาตั้งแต่เป็นเนร เรียนนักธรรมกันตีจะได้ทุกวันนี้แต่ไม่่อยลูกว่าสานกแก้วนกขนทองตัวมาปฏิบัติสติความลึกได้มันเป็นการสัมผัสสู้เห็นเข้าเหยียดเห็นออกให้หมันเป็นความสัมผัสออกให้เห็นไม่ใช่ลูกลูกเห็นพกเห็น ไม่ใช่คิดเห็นการพบเห็นนี่คือกายรู้เห็นเข้ารู้สึกกู้เขนเข้าจริงๆเหยื่อเขนออกรู้สึกเหยื่อเหนออกจริงๆนี่เป็นการพบเห็นไม่ใช่คิดเห็นการคิดเห็นไม่ใช่สัมผัสแต่การพบเห็นเป็นการสัมผัสเหมือนครูสอน น้ตอตาเเป็นกุศลนักเรียนหนุบาลแม่ไก่ออกไข่บรรพฟองหนึ่งวันได้ไข่จีฟองเด็กน้อยดูมือแม่ไก่ออกไข่บรรพฟองหนึ่งวันได้ไข่จีฟองให้เด็กว่าดาแม่ไก่ออกไข่บรรพฟองหนึ่งวันได้ไข่จีฟองจีฟอง จีฟองเนี่ยเห็นไหมเห็นเห็นกีฟองเนี่ยฟองเดียวไก่ออกไข่เราฟองสองวันได้ไข่จีฟองเห็นไหมเห็นไหมมันจีฟองอ่ะสองฟองมันก็เห็นไงเอ๋การสอนให้เห็นให้ทําไม่ใช่ให้จําให้ทําให้เห็นพบเห็น ถ้าหลงตาพูดว่าตาให้เด็กๆพากันจับตานะตาอ้เด็กมาจับตาขมือมาจับตาไม่ใช่ตาเป็นภาษาพูดตาโอ้โหมือ้ะหูจะหูเด็กมอจบัมจบมันเห็นมันสมัมผัสอันนี้สอนอ น, อนุบาลโลกเราก็เป็นอนุบาลกาย ทุวคนไม่ต้องลอกไหวก็กายเอามือวางไว้บนเข่ า, ม, ขามือวางไว้บนเข่ า, ขากระเชงมือข้างขวารู้สึกยกมือข้างขวารู้สึกเคลื่อนมือหวานนี้รู้สึกรู้สึกรู้สึกรึกอ่านารู้สึกไม่ใช่คําพูดในคําถามไม่มีมันรู้สัมผัส ด, ดอก นี่คือว่าภาคปฏิบัติปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรียนรู้เรียนรู้เอาตำลามาท่องาสติความลึกได้อยู่ในหนังสือนักธรรมชั่นตีมาบอกว่ า, วาเป็นผู้สูรทำให้อภปกาละมาสองอย่างแต่ว่าเราไม่ได้ไปเรียนที่นั่นตัวกายเป็ น, นํำลา เอาสติเป็นนักศึกษาพัฒนานุตรลิยะเห็นเห็นกายไม่ใช่โอตาดูมันเป็นความรู้สึกตัวนั่นแหละจึงเป็นการปฏิบัติถ้าเป็นภาษายัำไม่ได้สัมผัสสติเป็นยังไงถ้าเราสัมผัสกับสตินี่ความรู้นี่ความรู้ระหว่างความรู้ไม่เกิดเลยขึ้นตรงนั้นเกิดความหลงก่ามีหลงทางไหน หลายอย่าง ว, ว่าจะสร้างความรู้มันเกิดความหลงขึ้นมาหลงไปทางความคิดหลงไปทางความเก็บความปวดหลงไปทางความอะไรเยอะแยะทางร้อนทางหนาวมันจะหลงไปทางไหนทิศทางใดสร้างมันเราก็ไม่ได้ไปป้องกันให้มันเห็นเมื่อเห็นมันหลงว่ากลับมาอยู่ที่กายเคลื่อนไหวนี่ว่ากรรม ความาฐานฝึกเวลามันหลงรู้ฝึกเวลามันหลงไม่เป็นหลงไม่ได้ฝึกชั่วโมงหนึ่งนี้แต่หลงนั่งอยู่หลงขดดหลงงอไม่ได้รู้ไม่ได้ฝึกไม่เป็นทำให้เป็นการฝึกต้องทำให้เป็นไม่ใช่จำไม่มีใครสอนเราการทำให้เป็นเราต้องสอนเราเองการสอนให้รู้มีคนอื่นสอน การสอนให้เป็นเราต้องสอนตัวเราแต่เรามัหลงรูปเป็นไหมยาวขนาดไหนไปไกลไหมไแต่เราหลงทีหนึ่งรูปรูปเรียงหรือหลงสองเรื่องเรายังไม่รู้หลงเรื่องหนึ่งเรื่องสุกหลงเรื่องหนึ่งเรื่องทุกขสมุตติอะไรต่างๆมันเอามาหลงมันติดเปื้อนมาไปสุกส่วนเลยมา พอมาทำกรรมฐานมันก็ไหลไปทางเก่าเคยหลงเคยสูกเคยทุกเคยรักเคยชงังเคยได้เคยเสียเคยผิดเคยถูกมันก็หลงวิ่งไปที่เก่าเราจะเห็นชัดเจนเวลามันไปกลับมามันเป็นภาพปฏิบัตทิที่ลึกซึ้งไม่ใช่ลึกแลับเวลามันหลงโลกคือแรกอาจจะหยาบหยาม ด้านๆบ่มันลู่ไปทุกครั้งที่มันหลงมันจะจะเอ๋ได้สัมผัส ด, ดูความหลงสัมผัส ด, ดูความลู่เป็นอย่างไรลู่ลู่ผู้หลงคนเดียวกันจะเห็นเองมีสติประสบการณ์ทั้งสองอย่างระหว่างความลูล่ความหลงนั่นน่ะมันเป็นยังไงมันจะเห็นตรงนั้นตรงกลางๆตรงที่บันเห็นนั่นน่ะ อันหนึ่งมันเป็นเป็นสุขอันหนึ่งมันเห็นสุขเป็นทุกข์อันหนึ่งมัเห็นทุกข์เป็นผู้ร้อนเป็นผู้หนาวเป็นผู้ปวดเป็นผู้เมื่อยถ้ามันเห็นจะเห็นมันร้อนเห็นมันหนาวเห็นมันปวดเห็นมันเมื่อยควาเป็นเห็นกับเป็นมาคนละอันกันสัมผัสดูแล้วเป็นคนละอย่างสุขเห็นมันสุข เห็นมันทุกปวดเมื่อยเห็นมันปวดเมื่อยร้อนหนาวเห็นมันร้อนหนาวผู้ที่ร้อนผู้ที่หนาวตัวตนที่เป็นผู้ร้อนในกายไม่มีแต่ก่อนเอากายเป็นตัวเป็นตนหลอยภพหลอยชาติแต่แล้วภพถึงชาติเกิดเป็นพบพเป็นชาติแตกต่างกันไปความหลงวิ็นชาติหนึ่งความทุกข์คามสุขเป็นชาติหนึ่ง คมโกรธโลคหลงเป็นชาติหนึง่งความรักของมชังบป็ชาติหนึ่งเกิดดับเกิดดับเกิจริงเอากายมาเป็นพ่อเป็นชาติเกิดเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสัตว์นรกเป็นเดรัจฉานโอโปโปปาติกะเกิดผูดขึ้นเรียนไว่าแต่เกิดจุฑนันโกรธแล้วโกรธอีกทุกข์แล้วทุกข์อี ก, ก, ก, อกสุขแล้วสุขอีกแล้วก็ความสุขความทุกข์ควาโกรธ เรองเกิดจากอารมณ์นั่นมันไม่ใช่ตัวใช่ตนมันที่เราทําตามความโกรธเป็นยังไงทําตามความรักเป็นยังไงจริงไหมความโกรธจริงไหมอว่าที่เห็นมันโกรธจริงไหมความทุกข์จริงไหมเห็นมันทุกข์จริงไหมไม่เป็นผู้ทุกข์จริงไหมเมันฉุกเห็นมันฉุก ไม่ใช่สุขเป็นสุขไม่ใช่ทุกข์เป็นทุกข์ไม่เด้ว่ากําลังจะอ่านออกอ่านออกได้แต่ก่อนมันอันเดียวสุขคือกูทุกข์คือกูอะไรต่างๆเป็นตัวเป็นตนทั้งหมดวันนี้เห็นนี่มันก็เป็นอย่างนี้กรรมฐานกรรมฐานเป็นเปในรูปลักษณะแบบนี้ อ่านออกเขียนได้เห็นน like. um ั่นเดียวเห็นไปเห็นมาเห็นมันหลงเห็นมันรู้เพิ่มกันมาเพิ่มกันความสุขสุขมาเพิอมกันความทุกข์ความไม่ทุกข์มาเพิ่มกันมันก็ต่างเก่าสัมผัสดูแล้วความหลงไม่เป็นธรรมความไม่หลงเป็นธรรมความทุกข์ไม่เป็นธรรมความไม่ทุกข์เป็นธรรมความโกรธไม่เป็นธรรมความไม่โกรธเป็นธรรมเลือกได้ กิดมันทำเกิดขึ้นในตัวเราว่างไดกแต่น้อยไอแหวรู้จกักมีการกระทําเกิดขึ้นเป็นการทําดีเกิดขึ้นเป็นการลกความชั่วเกิดขึ้นเป็นทําให้จิตบริสุทธิ์เกิดขึ้นขณะข่าวเดียวกันมีสติมันก็ละความชั่วเกิดขึ้นมีสติมันก็ทําความดีเกิดขึ้น มีสติจิตก็บริสุทธิ์เกิดขึ้นเมื่อแล้วความชั่วก็เป็นสินขึ้นมาเมื่อทำความดีตั้งใจทำความดีก็เป็นสมาธิขึ้นมาเมื่อเวลามันหลงเปลี่ยนหล ง, ลงเป็นรูปเป็นปัญญาขึ้นมาเป็นสิกขาเป็นไตรสิกขาไปนในตัวเ็จไม่ได้ไปสมาธานออกเสียงเป็นภาคที่เกิดขึ้นในชีวิตเราอย่านี้เรียกว่าปฏิวัติธรรม โอกไายเป็นนามลาเอาใจเป็นตามลาโอ้เอสติเป็นนักศึกษาพระศิริธรศึกษาเรื่องนี้ไม่มีหนังสือจนเกิดพระพุทธเจ้าขึ้นมาสอนว่าสอนผู้คนจนเป็นพระอรหานเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากไม่มีหนังสืออ่านคุณลบดคุณลบธิดามิจดาออกบวช ก็บวชให้แล้วก็บอกโน่นโคนไม้โน่นเลื่อนว่างโน่นป่าชัดโน่นร้ำโน่นภูเขาไปศึกษาเรื่องนี้เธอจงเป็นพิสูมาเถิดทำไว้ไหนเรากล่าวไว้ทีแล้วจงเป็นผู้จงประพฤติตามทำไว้ไหนให้เป็นที่สิ้นทุกข์เถิดพิสูผู้บวชตก็ไปปฏิบัติธรรม ร่างกายให้ตรงลำรองสติให้มัน่นมีสติเห็นกายเห็นเวทนาเห็นคิดเห็นธรรมไม่มีอะไรมากมายนับถอตั้งแต่วันเพ็นเดือนแปดท่านพระเจ้าเกิดขึ้นตรงนี้เวณพระุทธเจ้าตั้งแต่วันเป็นเดือนหกเนี่ยไม่ได้เป็นสมหาสมพุทธเจ้าพอตัสชะลุเรื่องนี้ขึ้นมา เป็นพระพุทธเจ้าตดัดชะลูกขึ้นมาแล้วในโลกพระเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกในวันเพ็ญเดือนหกนับจากนี้ไปถอยไปสองวันห้ารอยสองวันห้ารอยเก้าสิบแปดปีมาแล้วนับจากวันเพ็ญเดือนหกมาถึงวันเพ็ญเดือน 8, แปดตื่นตือรุ่นเร่งนี้ อาจจะวิ่งเอาเหมือนดวนดว น, ดวนต้องไปบอกใครต้องไปบอกใครเรื่องนี้คิดถึงอุตุกิดาบทอดาราตบทที่เป็นอาจารย์คนแรกก็ไม่มีเส่ยแล้วคิดถึงใครคิดถึงปัญจวัคคีที่พอจะพูดลรงนี้เข้าใจเหมือนบัวพ้นน้มบ้างพอาด้แสงแดดดวงอาทิตย์ก็อาจจะบานได้ ห้าคนเนี่ย เ, เลยอยู่ที่ไหนล่ะคงจะไปด้วนหาอิสิปัตนะมะลึกชายวันโน้นที่ปลดปล่วยของสัตว์โลกนักปวดทั้งหลายสีสขีภไฟไปอยู่ที่นั่นเดินไปประมาณสามรอยกมใ้เวลาเดินอยู่เรือนหนึ่งตั้งแต่วันเพ็นเดินขิด ออกจากสีมหาโพธิวันเพ็ญเดินเิตเดินมาถึงอิาาสิปตนะพลาณนสีเนี่ยวันเพ็ญเดินแปดมาเห็นปัญจพคที่พอดีได้พูดตรงนี้ดูก่อนปัญจพุทีดูก่อนปัญจพุที่มาแล้วบัดนกำลังมีพระธรรมพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเื่อโลกนี้พร้อมทั้งพระธรรมความสังสอนตรงเนี้มีพระธรรมเกิดขึ้น มาพูดให้บรเจ้าขีฟังดูก่อนดูก่อนหลังที่เราสาธยายพิสูจน์ตอนเช้าตอนเย็นธรรวัชเช้าตรมันเย็นเนี่ยพระมาบอกบรเจ้าขีไม่ค่อยใส่ใจหันหน้าหันข้างหันหลังให้อยู่มีแต่โกนทัดยาเห็นผู้หันหน้าใจฟังอยู่ ควรทัญญาตั้งใจฟังในเรื่องต่างเรื่องอนัตตาลักษณโทษเรื่องอริสัจฉิต่อกันไปจนปัญญาควรทัญญาได้บรรลุทำเป็นพระรหัสเกิดขึ้นในวันนั้นต่อเนี้องพอสอนอัญญาคนทัญญาเป็นพระรหัสแล้วปัญญาฉีพุทธโภคควรทัโยอัญญาฉีบุทธโพคนวรทัโยอัญญารู้แล้วหนออัญญาก็บอกว่ารู้แล้วรู้แล้ว เป็นพระพุทธเจ้าแระเบิดสัมหาสมพุทธโธระเบิดสอนผู้อื่นลูกตามแระวบิดแน่นอนที่สุดสการสอนความตัดสู่ของเรามีเฉลยหนึ่งคนในวันเป็นเดือนแปดเรามเทศนากันแรกมีพระสงฆ์เกิดขึ้นรูปแรกในวันเป็นเดือนแปดคือโกลัญยาผามหรือปัเจวัคคีนั่นเองนี่เลยว่าสัมมาสมพุทธโธพิสูตนได้ คลยๆกว่ายกนิ้วให้ยกนิ้วให้ใหเคยอยอดเหมือนสูตรที่เราได้เรียนมาจบไปกันนะ่ะมีประโยชน์สูตรชีวิตของเราเนี่ยมันมันควรจะจบไม่ชื่อหลงจนตายโกรธจนตายทุกข์จนตายมันควรจะจบแต่เราไม่ค่อยศึกษากันมีความรู้แต่ความรู้ใช่ไม่ได้ เป็นรูวทุกไม่ดีเรายังทุกโกรธไม่ดีเรายังโกรธไม่มีใครตอบว่าทุกดีมีแต่บอกว่าไม่ดีทั้งนั้นโงโกรธก็ไม่ดีแต่เรายังโกรธยังทุกอยู่เพราะไม่ฝึกหัดอันควมรู้มันใช่ไม่ได้ต้องฝึกหัดอย่างนี้ไม่มีใครสอนเราได้นอกจากเราสอนตัวเราเองการฝึกหัดที่กับควรที่จะมีในสถานที่แบบนี้ เราอยู่ด้วยกันได้เราอยู่ด้วยกันได้ไม่ปลืดเฟลืองกันไปไม่วุ่นวายกันไปไม่ลำบากกันไปแล้วก็มีคำสั่งคำสอนที่ได้ทำมาบ้างพูดมาบ้าจงจำมาบ้างมาบอกกันให้ทำายบงนี้ การู่เขียนเข้ากันเกลียดแขนออกเดินจงกรมไปข้างหน้าแล้วไม่มีที่ตั้งมันจะไม่อยู่มันจะไหลไปข้างหน้าไหลคืนทั้งหลังชีวิตของเรามันทุกซนมาต้องมีที่ตั้งมันเข้ากอบเข้าพิมพ์ทั้หน่อยเราจะรอชีวิตเราเอา๋มันก็ช่วยก็ใจเอามากองไว้ก่อนเนี่ยมาอยู่ที่นี่ ม่อยู่ที่กายเนี่ยเอากายเป็นติเต้องมีกายไหมไอ้ชีน้อย <c oughs> ทุกคนก็มีอันกายนี้ไม่ใช่เจ๋ไม่ใช่หนุ่มอันเดียวกันไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายคําว่ากายตัวเนี้ยไม่ใช่นักบวชไม่ใช่ฆราวาสไม่ใช่เพศใดใว้ลัติเดนี้กายใดทั้งนั้นคือกายเหมือนกัน แล้วพูดถึงกายอันเดียวกันหมดเสมอภาพสามันลักษณะเสมอกันเดี๋ยวนี่ก็เย็นหน่อยไม่ร้อนก็เสมอกันนั่งนานๆก็ปวดก็เมื่อยมือขามีอก้นมืเข่ า, ม, ขามีอะไรต่างๆมืหลังหลวพ่อใหญ่หลวงพ่ อ, อนั่งนานมาจนหลังโคตรหมดแล้วเอาใจยมเอวเอว อย่านั่งเอวหวันดิตอเอาไว้ให้ตรงก่อนหน้า อ, อกคอใบหน้าหวันดิตก็จะเอาตรงนี้อย่าโก่องอย่าเอ็นอย่าเอียงเจ้าใว่าตั้งกายให้ตรงเนี่ยหัวทับหัวซ้ายขาขวเท้าขาซ้ายตั้งกายให้ตรงมีสติลงไป การคู่แขนเข้ากันเหยียดแขนออกเมื่อวันจะคดหลงกงเหน่วยขึ้นมาตั้งต้นใหม่ใบหน้าตั้งต้นใหม่หน้าอกตั้งต้นใหม่เอวตั้งต้นใหม่ลำโพงตั้งต้นใหม่วางหน้าให้เป็นวางใจให้เป็นหัดทุกอย่างเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวการหัดเนี่ยไม่ใช่ส่วนเปล่ามาบริหารส่วนเนี่ย หน้าอกต้นแขนต้นคอเอวมันบริหารส่วนนี้หัวใจยี่มาหายใจเข้าลึกๆหายเจอเจ อ, เจ อ, เจ อ, อกยาวๆปอดมันจะมีพลังตูดลงเข้าฝ่อลมออกเราตั้งใจพอกพอกพอกเลือดพอกปอดโปด่งเป็กนกลกองดูจักม่กองไม้มปอดเป็นม่กอง ปมลมน่ะลมม่ใช่เครื่องปั้มลมลมหายใจปูหมอกองหายใจเข้าลึกบมัวมขึ้นพองขึ้นถุงลมเปอดทุกถุงจะพองออกสุดเลยกนใจไปอ่อยลมออกหมดมันหมนแล้วก็จังฮ่าโอ้ก ไอ <laughs> ้มันแหวบลงไปนะปงขึ้นแวบบลงเหแบบมือนเป่าลูกโปง่งถ้ามันไม่แวบบไม่โฟมันจะถุงลมไหลปอดมันจะไม่มีไม่มีกําลังเมื่อถุงลมไหลปอดไม่มีกําลังเลือด ก, ก็ไม่ดีเพราะนั่นก็มาฐานนี่ยดีดีนะบริหารส่วนนี้ปอดด้วยจิตใจเปลี่ยนนั่นเรื่อย ตั้งต้นใหม่ตั้งต้นใหม่เข้าฉากใหม่ออกฉากใหม่ตัง้งฉากใหม่เหมือนนักมยวยเขาต่อยกันน่ะถ้าเข้าฉากไม่ไดีมันก็ไม่มีน้ำหนักไม่มีจังหวะับต่อเรื่อยๆ อ, อ, อมยิ้มไปเรื่อยๆบางคนก็มาถานทำกรรมฐานหน้าปวดๆฮับเบึ่งเหมือนไปทุกข์ห <c oughs> น้าเบึ้มเบึ้มเหมือนกับทุกข์อะไรทุกข์อะไรเลยมัน น่าชื่นใจเรามารู้ตัวเองเนี่ยชีวิตของเราเป็นของเราแล้ววันนี้ตัจึกตัวก็ได้ดูแลตัวเองปฏิบัติธรรมคือดูแลตัวเองเนี่ยมันผิดหรือถูกมาดูแลเราเนีปฏิบัติธรรมไปทำไหมให้ออมาดูตัวเองมีสติดูกายมีสติดูใจ ใจมันไปไหนสอนมันอย่าไปมาอยู่นี่อยู่กับรวยอยู่กับเย้าอยู่กับก บ, บ้านบ้านของใจคือปกตินาะถ้ามันพุ่งไปทางอื่นไปรักไปเกลียดไปสุกไปทุกไม่มีบ้านคมร้ายคุมดีนั่นน่ะให้มันปกติบ้านของใจลอยก็เคลื่อนไหวใ ห, ให้มันอยู่ด้วยกันมือเคลื่อนไหวใจรูอ้อยู่เนี่ยไม่เฉื่อยอยู่เนี่ย ถ้ามันอยู่ด้วยกันลองดูช่วยช่างสะบัดหมูช่วยหมูแล็บลีนมันจะผิดหรือถูกจะปล่อยกลางคืนเป็นขวัญกลางวันเป็นเปลวกลางคืนว่าขวัญกลางวันไว้คิดอย่างนั้นหรือชีวิตเราเอาชีวิตไปหัวไปแขนกับสุขกบทุกข์แค่นั้นหรือทำามันไม่อยู่ตรงนี้หน้าจะช่วยตัวเองบ้างป่อยให้รักป่อยให้ชัง ปอยความโกรธร่ำวันข้างคืนไม่ถูกต้องหยุดไม่ได้หรือรถมันวิ่งได้มันต้องหยุดได้ใจที่มันคิดแล่นไว้หยุดฌามาลู่ตัวเนี้ยนี่กรรมฐานคือที่ตั้งแนวที่ตั้งเอาไว้ถ้าไม่มีที่ตั้งมีรูปแบบมันก็ไม่อยู่มันคิดไปข้างหน้ามันคิดคืนข้างหลัง สี่ปียังเอามาคิดม อ, อยู่สุกโตแล้วยังคิดถึงกรุงเทพเพี่งหน่อยมันได้อะไรคิดไปโน่นเป็นจริงไหมเรานั่งอยู่นี่ถ้าเราเลิกก็เลิกก็ต้องทำตัวให้มันดีแลักผัวลักเมีย ก, ก, ก็ทำตัวให้มันดีลักลูกรักเต้าก็ทำตัวให้มันดีลักเพื่อนลักมิตรทำตัวให้มันดีนี่คือความลักไม่ทำตัวต้องหลุดลน้น ไม่ทำห้ครเคยเดือดร้อนนี่มโนฝึกเนี่ยเห็นเห็นกายมีกายมีใจนี่ไม่ปลอดภัยถ้าเห็นบ่อยๆเห็นรูปเห็นน้านะเห็นเป็นรูปทาเห็นเป็นน้ำทาถ้าเป็นกายนี่จนง่ายเดือร้อนกน็เป็นผู้้อนถ้าหนาวเป็นผู้หนาวถ้าปวดเป็นผู้ปวด เม่มีกายไม่ใจถ้า เ, เราดูไปดูไปมันเลื่อนชั้นมันเห็นรูปเห็นน้ำเห็นเป็นรูปธรรมเห็นเป็นน้ำธรรมก็เห็นเป็นรูปสุกไม่เรียกว่าสุกทุกข์ไม่เรียกว่าทุกข์เป็นอาการที่เกิดขึ้นกับรูป ก, กับนามไม่ใช่สุกไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่รอ้อนไม่ใช่หนาวแต่ก่อนร้อนเป็นรอ้อนหนาวเป็นหนาว ถูกเป็นสุขหิวเป็นหิวทุกข์เป็นทุกข์พอเห็นรูปเห็นนามเป็นรูปเป็นนามแล้วสุกไม่เป็นสุขเห็นเหมือนสุกทุกข์ไม่เป็นทุกข์เห็นเหมือนทุกข์เห็นเหมือนทุกข์การเห็นที่มันเกิดขึ้นกับรูปกับนามเป็นอาการไม่ใช่เรียกว่าสุขว่าทุกข์แล้ววะเนี่ยเป็นอาการถ้ามันหิวไม่เป็นมันก็ไม่ใช่รูปขอบคุณความหิว แต่ก่อนเมื่อหิวเป็นทุกข์อ่ะมันมีแต่กายแต่ใจตอนนี้ทำไมเห็นลูกทำนามธรรมขอบคอุณความหิวถ้าไม่รู้จากหิวมันก็ไม่ใช่ลูกไม่ใช่ออกมาเป็นทุกข์ความร้อนก็ขอบคุณมันลูปนี่มันรู้จากร้อนเป็นสัญญาณภัยของลูกความร้อนเป็นหนาวเป็นหิวเป็นปวดเป็น มันเป็นนาวชาติเป็นอาการของรูปไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่ออกมาเป็นทุกข์เห็นรูปเห็นนามมันเลื่อนฐานะขึ้นมาแต่ก่อนมันเป็นว่ามันเห็นรูปทำนาทํามันเห็นเนี่ยมีดวงตาเกิดขึ้นเห็นรูปเห็นนามเห็นอาการที่มันเกิดขึ้นไม่ต้องเรียกว่าสุขไม่ต้องเรียกว่าทุกข์ เบาเบไม่หนักน่าสุขมันหนักควาทุกข์มันหนักเต้เห็นเป็นเาการมันไม่หนักแล้วก็เห็นรูปทำเห็นน้ำทำมันทําดีมันทําชั่วรูปนี้่ะทำอย่างนี้มันทําดีอะไรสังไม่ทาอย่างนี้น้ำไม่ทำสั่งไม่ทาอย่างนี้รูปครับมันทําไม่ได้มันก็เลยใช่รูปถูกต้อง คิดถูกต้องคิดเป็นทำเป็นพูดเป็นเอาลูกมันทำดีเอานามมันทำดีสำเร็จประโยชน์โอ้ทำดีนั่นเป็นบุญทำชั่วมั น, เ ป, นเป็นบาปบาปคือทุกบุญคือไม่ทุกรู้จั ก, จกบุญรู้จักบาปเลือกเป็นแบบนียรู้จักบุญรู้จักบาปลูกทำนา้าทำเป็นอย่างนี้ทำดีทำชั่ว ในรูปในนามนี่มันมีทั้งมีการกระทําเกิดขึ้นเป็นกรรมเราก็รูปนามมาทำดีได้สําเร็จมันอยู่กับเราแท้ๆเป็นการใช่รูปใช่น้ำแต่ก่อกายใจมันใช่เรามีแต่มันใช่เราไม่อยากชิมก็ชิดนอนก็เคลิ้ก็ควัคนแบกเพรเราม่เห็นรูปทำนํามทำเรา มันก็ใช่กาย ใ, ใจใใจถูกต้องไช่ตาใช่หูถูกต้องถ้าเราไม่รู้แต่ก่อนเราไม่รู้รูปทุกนามทุ ก, กมันบอกเองมันขดคุยออกมาหายใจเขา้าหายใจออกเป็นทุกข์ของรูปถ้าไม่หายใจเขา้ามันเป็นทุกข์หายใจเข้าไม่ได้ไม่หายใจออกก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์ ไม่กินไม่ไถ่มันก็เป็นทุกข์ไม่หลับไม่นอนก็เป็นทุกข์ไม่ยืนเดินนั่งมันก็เป็นทุกข์กกเป็นรูปทุกข์เป็นก้อนทุกข์ไม่เห็นรูปทุกข์เนี่ยโอ้ยน้ำตาซึมไม่เคยช่วยเหลือลูกบางคนสมัยก่อนยังูบบ่ปูดีจิ่นเล่ามีความโกรธไม่รู้จักช่วยลูกช่วยน้ำเมื่อมาเห็นทุกข์หลอท ก็ตือเลิ้ลุนช่วยรูปช่วยนามถ้าเราฝึกาดแล้วมันจะใช้ได้ถ้าเราไม่ฝึกเนี่ยนามก็ใช่ไม่ได้ใจก็ใช่ไม่ได้กาก็ใช่ไม่ได้ไม่รู้ว่เป็นอย่างไรนี่ใจก็พึ่งใจไม่ได้ร่วมไร้ร่วงดีผู้ผู้แพร่แพร่ไม่มั่นใจตัวเองแต่ก่อนเห็นกายห็นใจเป็นอย่างนั้นไม่รู้จนงาน่ายๆ นีใจก็พึ่งใจไม่ได้พอเห็นรูปทำน้ําทําหล่ะมันพึ่งได้นเราจะอยู่ตรงเนี้เนี่ยเห็นรูปทําเห็นน้าทําเห็นรูปทุกน้าทุกเนี่ยสงสารจะไม่เป็นทุกดูเลยมันทุกตรงไหนก็ยอมเปลี่ยนทุกเป็นไม่ทุกเปลี่ยนได้อเป็นเหมื่อเธอทุกเหมือนกระควมมือไม่ทุกเหมือนก็หมายเมื่อ เแล้วเห็นแล้วโกรธเหมือนข้อมือไม่โกรธมันมาด้วยกันมีสติมีสติทหิหอนมือหน้ามือหลังมือเนี่ยเียนอ่าเนียไปเพียนลยเป็นดีนี่ยนะปฏิบัติธรเดี๋ยวไม่เปลี่ยนหรือพวกเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรสู้สดประเภทอื่นได้ไหมถ้าไม่ฝึกมัตัวเองไม่ไม่ไม่น่าจะเป็นสัตว์ประเสริฐ มันจะประเสริฐตรงนี้มันหลงเปลี่ยนหลงเป็นรูดได้นะมันทุกข์เปลี่ยนทุกข์เป็นรูดได้มันโกรธเปลี่ยนโกรธเป็นไม่โกรธได้อย่างไงนี่ประเสริฐตรงนี้ไม่งู้รู้อันถอะนะอันพวกสัตว์มันก็เป็นอย่านั้นนั่นไม่รู้จะเปลี่ยนได้แต่มนุษย์เนี่ยมันเปลี่ยนได้เป็นัดประเสริฐถ้าคนตายถ้าตายเนี่ยคนเนี่ยกายใจเนี่ยตายเป็น ไม่มีทางที่ไปสู่สวรรค์นิพพานได้จึสุทุก ๆ, ๆุไปสู่นรกเท่ากับขนโคไปสู่สวรรค์นิพพานเท่ากับเขาโคถ้ามนุษย์มันสูงขึนมาเห็นลูกเป็นนำมันไม่มีทางที่จะไปสู่ทุกได้มันลู้จักช่วยต่อผู้มีสติดีจริงๆเนี่ยปิดอบายยุภุม่มได้เลยนะ จะไปตกในโลกเป็นเปรเป็นอุตส่าหยังไงเราเห็นมันอยู่เนี่ยต้อเห็นมันอยู่เนี่ยมั้นเราเห็นงูเนี่ยจะให้งูกิดยังไงเห็นทุกข์ให้เป็นทุกข์ยังไงเห็นมันสุขใช้เป็นสุขไงนะสุขเระทุกข์ได้อิสระมีจะเห็นไม่ว่าอะไรมีจะเห็นภาวะที่เห็นไม่เป็นไปกับสิ่งต่างๆที่เกิดกับปลูกกับน้ําเนี่ย มันเป็นชีวิตเนี่ยชีวิตมันเป็นอย่างนี้แปลว่าที่เห็นไม่เป็นนเยไม่เป็นชีวิตมันได้ชีวิตเหมือนกับชีวิตอยู่ในพระอกชีวิตอยู่ในพระอกเหมือนนอนในมุ้งฟังเสียงโยงเห็นมันไม่โอกาสมาเป็นสุขไม่โอกาสไเป็นทุกข์ไม่เอาใจมาเป็นสุขไม่เอาใจมาเป็นทุกข์เอามาเป็นภาวะที่รู้ทั้งหมด เปี่ยนรายเป็นดีปัญหาเป็นปัญญาได้จริงแต่ก่อนปัญหาต่างๆมีมากวามาเห็นเนี่ยมันเป็นปัญญาความโลภรู้ในกองสังขารแท้ๆสังขารเป็นปัญญาสังขารเป็นวิสังขารวิสังขารคือนิพพานสังขารคือทุกขสังขาราปรมาทุกขาเป็นทุกขอย่างเรืวินิพพานังปรมังสุ ข, ขงังนิพพานเป็นสุขอย่าง เขาบอกสุกนี่ก็เป็นสมมติพูดกันเฮ้ยพูดอยู่เสมอว่าส <spe> ุขแบบหนึ่งสุขเหมือนเก่าขี้กากสุกเหมือนจนขี้กากเนี่ยทาไมว่ามันคันขึ้นมาเก่ามันเก่ามันถ้าไมเก่ามันทุกข์ต้องเก่ามันก่อนตอนรักษาขี้กากหายไม่ต้องเก่าอันนั้นเรียกว่าอะไรจะเรียกว่าสุขหรือว่าทุกข์ได้ไหมไม่รู้จะเรียกอะไ ไม่มีอันเลียกเลยสมมว่าสุขไปซะนัตถิสันติพลังสุขังสุกเื่นนี้กว่าความไม่เป็นไรควาสมสงบไม่มีอันสุขคือไม่เก่าชี้กัดจะเอาชีไปห้อยไปฉีนกับสุขกับทุกข์ทำไมชีวิตเรามันเหนือนั่นมีอยู่อย่างพู้เจ้าสู่ปณิพานในฌานสมาบัติเอาสู่ปณิพานในฌานสมาบัติ อะไรเกิดขึ้นขนาดนั้นเห็นละสุขหรอทุกมีสติแล้วแลืออยู่จิตเป็นเอกจกิตผุดขึ้นบริสุทธิ์ผุดฟ่องไม่สุขไม่ทุกเละสุขเล่าสุขหรอทุกเสียได้มีสติแล้วเหลือยู่มีสติแล้วแลืออยู่ตแตบ ว, ว, ว่าเวิดยิฐทีนีโลดเข้าสู่ผลนิพพานณตรงนี้ตรงนี้ อันนี้พระเจ้าได้มางูกถึงเรื่องนี้มาตั้งแต่วันเป็นนรกพระชนมายุสามสิบห้าปีจนเป็นนิพพานในวันเป็นเดินหกขั้งก่อนที่กุชินารเนะี่ยยุแปดสิบปีพระชนมายุแปดสิบปีแปดสิบพรรษาในเช้วันนี้เป็นนิพพานมันพระเจ้านิพพานมาตั้งแต่นู้นแล้ว ไปสู่ตรัสรู้นิพพานอันวันเดียวกันแล้วแต่มันมาตรงกันที่นี่อีกเหมือนบางคนเน่เกิดวันไหนตายวันนั้นบางทีก็มีอย่างนั้นคนแจกมักจะพูดคุยกันไปดูคนแจกด้วยกันถามว่าเกิดวันไหนเกิดวันนั้นเออเดี๋ยวนี้เหลือแต่ลมไม่มีอะไรลผมเกี่ยวหมดลมในวันนั้นพอดีคนแจกเขก็มอง ว่ามักจะเป็นจริงได้เป็นการเฉ่เท่าธรรมดาได้เป็นการอุบติเหตุนี่ด้วาบอกไม่ได้นี่คือข่มกิงอะเราศึกษายังไงชีวิตเราเนี่ยก็พิสูตรตรน์ตรดวงนี่โอ้ถ้าถ่ายมันไม่มีอนนาวัตถุเนี่ยมันไม่มีทุกข์ตัวไม่ไม่มีหลงถ้าเราศึกษาแล้วนะ ไปหลงทําไมไปทุกข์ทำไมไปโกรธทําไมมันทําได้อยู่มาหัดเปลี่ยนมาอยู่ด้วยกันแต่เป็นมิตรเป็นเพื่อนไม่พ้อหลงทิศหลงทางนี่คือศาสน า, าในเมืองไทยมีพระพุทธศาสนามีพระสงฆ์พระสงฆ์ก็นั่งอยู่เนี่ยมีคําสอนก็มาพูดให้ฟังอยู่เนี่ยไม่ใช่ไปจําเอา ฟังแล้วไปทำดูเวลามันหลงเปลี่ยนหลงเป็นรู้นะอย่าให้หลงเป็นหลงถ้หลงเป็นหลงอยู่ดื้อด้านบอกไม่เอา <c oughs> สอนไม่เอาอย่าดื้ออายตัวเองว่ามันอยู่กับความหลงไม่รู้จักเลี่ยนเลยถ้ากูได้โกรธตายไม่ลืมมันด้านเกินไปแล้วคนดื้อด้านถ้ากูได้โกรธกูไม่ดา่ามันกูไม่ยอม คนดูายาไปตากันเปลี่ยนจะเปลี่ยนง่ายเพราะมันโกรธเปลี่ยนไม่โกรธจังเนีย